ดูฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับวันนี้ตอนที่14แล้วกับการที่เราตามติดชีวิตโยคีจากหนังสืออัตับชีวประวัติของโยคีของท่านปรมาหังษาโยคานันทะซึ่งท่านเป็นโยคีที่มีชื่อเสียงในอินเดียแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็ได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดทางจิตวิ ญ, ญญาณแห่งศตวรรษเลยล่ะคะ่ะ วันนี้มาถึงตอนที่14ก็ยังคงเป็นเรื่องในช่วงที่ท่านาโยคานันทะเป็นลูกศิษย์ของท่านครุสียุกเตสวนซึ่งจากที่เราได้ฟังมานี่ก็จะเห็นได้ว่าท่านครุสียุกเตสวนท่านได้บรรลุถึงความจริงบางอย่างนะคะท่านเป็นครูที่มีหัวใจของความเป็นครูมีความเมตตาแต่ก็เข้มงวด ในเรื่องของระเบียบวินัยมีความรักและปรารถนาดีต่อสิทธิ์อย่างจริงใจแล้วก็มีการกำราบแบบไม่เกรงใจเลยละค่ะท่านมีอำนาจมีพลังจิตจะใช้คำว่าอิทธิฤทธิปาฏิหารก็ได้แต่ว่าในตอนนี้นะคะจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งน่าสนใจมากในตอนนี้ จะมีเรื่องโจรขโมยดอกกละลำซึ่งได้สื่อให้เห็นถึงอานาจพลังจิตของมนุษย์ว่าถ้าฝึกจนถึงระดับหนึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ตัวเราเองเนี่ยเป็นดังเครื่องรับแล้วก็เครื่องส่งวิทยุเลยล่ะคะ่ะน่าสนุกนะคะยิ่งเล่าก็ยิ่งสนุกแม้ว่าบริบทบางอย่างอาจจะแตกต่างไปจากสังคมของเราซึ่งเป็นสังคมพุทธนักบวชของเราก็คือพระแต่ในที่นี้ โยคยีก็เหมือนกับพระในพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าอาจจะมีวัดปฏิบัติที่แตกต่างกันไปเท่านั้นเองถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปติดตามโจรขโมยดอกกระหล่ำกันเลยนะคะว่าจะนำเราไปสู่การเรียนรู้อย่างสนุกสนานในเรื่องอะไรบ้างชีวิตโยคยีตอนที่14ค่ะ ในวันหยุดภาคฤดูร้อนมูกุนทะเดินทางมาที่เมืองปุรีเพื่อใช้เวลาในวันหยุดนี้กับอาจารย์ศรียุคเตสวรซึ่งท่านมีอาสมริมทะเลนะคะเป็นอาคารสองชั้นเล็กๆสวยงามหันหน้าออกหาอ่าวเบงกอลเป็นอาสมที่ท่านกับสานุรสิทธ์อีกหลายคนช่วยกันสร้างขึ้นมูกุนทะมาที่อาสมแห่งนี้ โดยมีของฝากที่เขาตั้งใจและก็ภูมิใจเป็นพิเศษนั่นก็คือดอกกระลำหัวโตโต้จำนวนถึง6หัวค่ะอาจารย์ขอรับกระผมมีของมาฝากดอกกระลำหัวโตโตหหัวนี้กระผมปลูกเองกับมือคอยรดน้ำพรวนดินให้มันค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างทนุถนอมราวกับแม่คอยดูแลลูกเชียวนักครับเขายืน่นตะกร้าผักส่งให้อาจารย์ด้วยท่าทีโอ้อวด แล้วก็เต็มไปด้วยพิธีรีตองภูมิใจมากอาจารย์ก็บอกว่าขอบใจแต่ช่วยเก็บไว้ในห้องของเธอก่อนก็แล้วกันพรุ่งนี้ครูจะใช้มันทำอาหารข้ามมื้อพิเศษวันรุ่งขึ้นหมูกุนทะาตื่นแต่เช้าอากาศสดชื่นจากลมทะเลที่พัดโชยมาอาสมดูสวยงามเงียบสงบ มีเสียงอาจารย์เรียกดังกังวานกล้องชวนทุกคนไปเดินเล่นที่ชายหาดมาเรามาเดินไปที่ชายหาดกันมุกุลทะเอาดอกกระลำที่เฝ้าธนุถนอมดูแลเก็บซ่อนไว้ใต้เตียงจนเรียบร้อยดีแล้วก็เดินไปตามท่านอาจารย์ อาจารย์ก็บอกว่าชาวตะวันตกเวลาไปไหนมาไหนพวกเขาจะเดินไปด้วยกันอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็เป็นประเบียบไหนช่วยจัดแถวเป็นสองแถวซิแล้วเวลาเดินก็คอยดูจังหวะการก้าวเท้าให้พร้อมเพรียงด้วยละ่ะมูกุลทะมีความสุขนะคะที่เห็นอาจารย์ยังคงกระฉับกระเชงแข็งแรง เดินไปกับสิทธิ์รุ่นรุ่นได้โดยไม่มีท่าทีว่าจะเหนื่อยแรงแต่พอเดินเดินไปอาจารย์ก็หันมาสบตากับมุกุลทะแล้วก็ถามว่าเขาได้ปิดประตูหลังของอาสมหรือเปล่าคิดว่าปิดนักขอรับอาจารย์นิ่งเงียบรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของท่านไม่รอกเธอลืมปิด เธอจะยกเอาการเข้าฌานเจริญสมาธิมาเป็นข้ออ้างในการประมาทเลินเล่อต่อกิจทางโลกไม่ได้นะเธอบกพร่องต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาอาสมเธอจะต้องถูกลงโทษโกุลทาก็คิดว่าอาจารย์ล้อเล่นโดยเฉพาะกับข้อความต่อมาที่ท่านบอกว่าไอ้ดอกกระลำหกหัวของเธอจะเหลือแค่5หัวในชั่วประเดี๋ยวนี้นี่แหละ มุกุลทะฟังแล้วก็งงไม่เข้าใจบรรดาลูกศิษย์กลับลังหันตามคำสั่งอาจารย์แล้วก็เดินย้อนกลับมาตามทางเดิมเหลืออีกไม่กี่ก้าวก็จะถึงอาสมพักเดี๋ยวเธอมุกุลทะมองไปฝั่งตรงข้ามกับอาสมทางซ้ายสิสังเกตถนนทางน้นให้ดีประเดี๋ยวจะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านมาคนนี้แหละเขาจะเป็นตัวแทนในการลงโทษเธอ เขาไเจ้าซ่อนความคับข้องต่อถ้อยคําที่ตนเองฟังไม่รู้เรื่องไว้แต่ในใจไม่ช้าก็เห็นชาวบ้านคนหนึ่งเดินมาตามถนนเขากําลังเต้นประบําด้วยท่วงท่าพิลึกกึกเกือแกว่งแขนปัดซ้ายป่ายขวาอย่างปราศจากความหมายเขาไปเจ้ายืนตัวชาด้วยความฉงนสนเทตามองจ้องภาพที่บังเกิดขึ้นตรงหน้าแบบไม่ยอมให้คลาดสายตา พอชายผู้นั้นเดินไปเต้นไปจนถึงจุดที่เขาจะหายลับไปจากสายตาของพวกเราอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าเขาจะย้อนกลับมาในอึดใจนี่ละแล้วจูๆ่ๆชาวบ้านคนนั้นก็เปลี่ยนทิศทางเดินวกไปทางด้านหลังของอาสมข้ามทางเดินที่มีตะดินทรายลับหายเข้าไปในตัวอาสมทางประตูหลัง ความจริงปรากฏว่ามูกุนทะลืมปิดประตูอย่างที่อาจารย์ว่าไว้จริงๆไม่นานชายคนนั้นก็เดินกลับออกมาโดยในมือมีดอกกระลำติดมาด้วยหนึ่งหัวมาถึงตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเดินก้าวยาวๆเป็นปกติท่าทางกระยิมยิ้มย่องที่ได้ดอกกระลำหัวนั้นมาครอบครอง คุกุณทะงงมากเขารู้สึกโกรธโกรธเจ้าหัวขโมยก็ออกวิ่งตามไปได้ครึ่งทางแต่อาจารย์ก็ร้องเรียกให้กลับมาท่านหัวเราะเสียวหัวสั่นหัวครอนก่อนจะอธิบายว่าเจ้าคนไม่เต็มเต็งนั่นน่าสงสารออก เขาก็แค่อยากได้ดอกกระหล่ำสักหัวเท่านั้นเองครูก็เลยนึกว่าถ้าเขาได้ของเธอไปสักหัวหนึ่งก็คงจะดีก็เธออยากสะเพร้าลืมปิดประตูเอาไว้เองนี่นาะฟังอาจารย์ว่าดังนั้นข้าพเจ้าก็แจ้นกลับไปที่ห้องของตัวเองทันที ปรากฏว่าเจ้าหัวขโมยนั่นมุ่งแต่จะขโมยดอกกระหล่ำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่ได้สนใจกับแหวนทองนาฬิกาและเงินที่วางแบร้าอยู่บนผ้าห่มเลยแม้แต่น้อยถึงกับลงทุนคุกเข่าครานเข้าไปใต้เตียงซึ่งเป็นที่ ที่มุกุลทะเนี่ยซุกตะกร้าดอกกะหล่ำเก็บเอาไว้อย่างมิดชิดชนิดที่ใครก็มองไม่เห็นคืออุตส่าห์ว่าซ่อนเอาไว้ดีแนบเนียนแล้วนะแล้วเจ้าหัวขโมยคนนี้รู้ได้ยังไงเย็นวันนั้นมุกุลทะก็เลยบอกให้อาจารย์เนี่ยคือขอร้องให้อาจารย์อธิบายต้นสายปลายเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเพราะว่ามันมีอยู่หลายประเด็นที่เขาเองก็ไม่เข้าใจเอาเสียเลย อาจารย์พงศศีษะช้าช้าก่อนจะบอกว่าสักวันหนึ่งเธอจะเข้าใจได้เองวิทยาศาสตร์จะค้นพบกฎหลายๆาอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวในครั้งนี้ในเร ว, วันนี้ลหละหลายปีต่อมาเมื่อความมหัศจรรย์ของวิทยุสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้คนทั้งโลก โมกุลทะก็นึกถึงคําทํานายของอาจารย์ขึ้นมาทันทีแนวคิดเรื่องเวลาและระยะทางที่เชื่อกันมาแต่ครั้งโบ ร, โบราณถูกทําลายลงไม่มีบ้านของใครคนไหนที่คับแคบเกินกว่าที่ลอนดอนหรือกาลกาตาจะแทรกเข้าไปไม่ได้ความฉลาดที่ดูเหมือนจะทึ่มที่สุดนี้เผยให้เห็นข้อพิสูจน์ที่เถียงไม่ได้ ถึงความเป็นผู้อยู่ได้ทุกที่ทุกการอันเป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งของมนุษย์เขาโครงเรื่องโจรขโมยดอกกะหล่ำอันน่าขันนี้หากนำไปเปรียบกับวิทยุก็อาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นอาจารย์ของข้าพเจ้าเป็นวิทยุในร่างของมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบความคิด ก็เป็นเพียงแค่คลื่นความสั่นสะเทือนอันบางเบาเคลื่อนที่ไปในอากาศสาตว์เฉกเช่นเดียวกับที่เราสามารถใช้วิทยุหมุนหาคลื่นเพื่อฟังรายการเพลงจากสถานีหนึ่งได้จากหลายพันสถานีในทั่วทุกทิศ ท, ทางท่านครูสียุคเตสวนก็เปิดรับคลื่นความคิดที่ตรงกันบางกระแสได้ก็คือพูดง่ายๆนะคะว่าท่านเนี่ยรับความคิด ของชายที่ไม่เต็มเต็งคนนั้นได้ว่าเขากำลังอยากได้ดอกกระลำจากกระแสะคลื่นความคิดจำนวนนับไม่ถ้วนที่ส่งออกมาจากจิตของผู้คนบนโลกขณะเดินไปยังชายหาดอาจารย์ปรับกระแสะความคิดของชาวบ้านคนนั้นได้ว่าเขาอยากได้อะไรคืออยากได้กระําแล้วท่านก็ยินดีที่จะทำให้ความปรารถนาของเขาเป็นจริง อาจารย์มองเห็นชายผู้นี้เต้นบรำ ม, มาตามถนนก่อนที่บรรดาลูกศิษย์จะทันได้เห็นกับตาของตัวเองเสียด้วยซ้ําแล้วอาจารย์ก็เห็นว่ามุกุลทะลืมปิดประตูอาสมด้านหลังก็เลยเป็นข้ออ้างให้อาจารย์เนี่ยเอาดอกกระลำของมุกุลทะให้กับชายวิกลจริตผู้นั้น คือเป็นข้ออ้างในการที่จะมอบดอกกะหล่ำให้กับชายวิกลจริตผู้นั้นหนึ่งดอกเพราะว่าเขาต้องการและอาจารย์ก็สงสารเขาแล้วก็ใช้ดอกกระหล่ำนี้แหละเป็นการลงโทษมุกุลทะที่เล่นเลิกแล้วก็ลืมล็อกประตูคือตอนแรกท่านทาหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องรับเครื่องความคิดจากชายผู้นั้นและหลังจากนั้น ท่านก็ใช้อานาจจิตเป็นเครื่องมือส่งคลื่นความคิดของท่านออกไปบ้างท่านชี้นําให้ชาวบ้านคนนั้นเดินย้อนกลับมาแล้วก็ให้เข้าไปในห้องของมุกุลทะเพื่อเอาดอกกระหล่าไปหนึ่งหัวเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเนี่ยชายผู้นั้นจะไม่มีวันรู้เลยว่าดอกกระหล่ถูกเก็บเอาไว้ที่ไหนเพราะว่ามุกุลทะเก็บซ่อนเอาไว้ในหลังใต้เตียงอย่างมิดชิด จากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าท่านเป็นทั้งเครื่องรับและก็เครื่องส่งตรงนี้มีเชิงอัดอธิบายความซึ่งน่าสนใจมากนะคะใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจจิตอยากให้ลองฟังดูคะ่ะ เชิงอัดในหน้านี้อธิบายถึงโทรจิตและตาในโดยอธิบายว่าโทรจิตตาในและการมองเห็นได้ด้วยยานทิปจึงได้ข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยยืนยันเป็นครั้งแรกว่าคลื่นรังสีที่มองไม่เห็นเนี่ยมีอยู่จริงและก็าสามารถเดินทางจากคนหนึ่งนะคะไปยังอีกคนหนึ่งได้ วิทยุนั้นความจริงก็คือเครื่องตรวจจับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุมันทำอย่างเดียวกันนี้กับวัตถุที่เย็นตัวและก็ไม่เรืองแสงซึ่งเครื่องวิเคราะห์แถบคลื่นการสั่นทางไฟฟ้าแม่เหล็กกระทําเมื่อมันสามารถเปิดเผยให้เห็นถึงชนิดของอะตอมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นดวงดาว นักวิทยาศาสตร์คล้องใจกันมานานหลายปีแล้วนะคะว่าคลื่นบังสีที่แผ่ออกมาจากตัวมนุษย์และก็สิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าซึ่งมูกุนทะก็บอกว่าวันนี้นะเป็นครั้งแรกที่มีข้อพิสูจน์จากผลการทดลองว่ามันมีอยู่จริง การค้นพบครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าอะตอมและโมเลกุลทั้งหลายในธรรมชาติคือสถานที่ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่มีวันหยุดดังนั้นแม้ว่าเราตายไปแล้วสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายก็ยังคงแผ่คลื่นรังสีอ่อนๆออกมาอยู่นั่นเองความยาวคลื่นของรังสีเหล่านี้มีตั้งแต่ที่สั้นกว่า คือมีตั้งแต่ที่สั้นกว่าคลื่นที่ใช้ส่งกระจายเสียงกันในปัจจุบันไปจนถึงความยาวสูงสุดของคลื่นวิทยุคลื่นเหล่านี้ปะปนกันอยู่มากมายอย่างเหลือเชื่อนับเป็นจํานวนได้หลายล้านคลื่นโมเลกุลขนาดใหญ่หนึ่งโมเลกุลอาจส่งคลื่นที่มีความยาวต่างกันนับล้านคลื่นออกมาได้ในเวลาเดียวกันคลื่นที่มีความยาวคลื่นสูงกว่า จะเดินทางได้ง่ายแล้วก็เร็วไม่ต่างจากคลื่นวิทยุคลื่นวิทยุชนิดใหม่นี้จะมีความแตกต่างจากคลื่นบางสีที่เราคุ้นเคยกันอย่างคลื่นแสงอยู่ประการหนึ่งซึ่งน่าอัศจรรย์ใจมากนั่นก็คือว่ามันจะเป็นเวลายืดเยื้อยาวนานหลายพันปีทีเดียวที่คลื่นวิทยุเหล่านี้จะถูกส่งอย่างต่อเนื่องออกมาจากวัตถุหรือสารซึ่งไม่ถูกรบกวนนี่เป็นเชิง อ, อธิบายนะคะของท่านโยคานันทะ ทีนี้กลับไปที่เหตุการณ์ในอดีตในวันที่ท่านได้เจอโจรขโมยดอกกะหล่ำนะะซึ่งได้รับการชี้นำจากอาจารย์ศรียุคเตสวนของท่านท่านก็บอกว่าการรับรู้ด้วยญาณคือการชี้นำของวิญญาณซึ่งจะบังเกิดขึ้นกับมนุษย์เราอย่างฉับพลันทันใดในขณะที่จิตสงบเราทุกคนต้องเคยผ่านประสบการณ์ที่หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้ในกรณีที่เราเกิดมีลางสังหรณ์อันแม่นยา หรือในกรณีที่สามารถส่งต่อความคิดของตนไปให้ผู้อื่นมาแล้วแทบทั้งสิน้นเคยไหมคะมีคําอธิบายว่าจิตมนุษย์ถ้าเป็นอิสระจากความสับสนว่าวุ่นหรืออิสระจากคลื่นรบกวนแล้วเนี่ย mm. ก็จะมีกําลังมากพอที่จะทําหน้าที่แทนกลไกลวิทยุอันซับซ้อนได้ทุกอย่างโดยทําหน้าที่รับส่งคลื่นความคิดตลอดจนปิดรับคลื่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ สถานีจะส่งกระจายเสียงคลื่นวิทยุได้ดีเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับว่าได้รับกระแสไฟฟา้ามากน้อยแค่ไหนการรับส่งคลื่นความคิดของมนุษย์จะมีประสิทธิภาพต้องอาศัยอำนาจจิตอันกล้าแข็งของแต่ละบุคคลเป็นสําคัญค่ะคลื่นความคิดสั่นสะเทือนอยู่ในจักรวาลเป็นนิรันดร์การการสารวมจิตในระดับลึก จะช่วยให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายยังถึงความคิดของมนุษย์แต่และคนได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วความคิดจึงเป็นสิ่งสากลที่ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งสัจธรรมก็ไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างขึ้นมาได้เป็นแต่รับรู้กันได้เท่านั้น ความคดิดผิดของมนุษย์เป็นผลพวงมาจากความเข้าใจหรือการคิดวิเคราะห์ของเขาอาจจะมีความบกพร่องเป้าหมายการปฏิบัติโยคะคือการทำให้จิตสงบจิตนิ่งเพราะจิตที่ไม่ถูกบิดเบือนอาจรับรู้ถึงคาชี้แนะอันถูกต้องจากเพราะเป็นเจ้าผู้สถิตอยู่ในตัวเขาเองได้ mm hmm. ในขณะที่วิทยุกับโทรทัศน์ช่วยนาเอาเสียงและภาพของผู้คนจากที่ไก ล, ไกล เข้ามาสู่ครัวเรือนของผู้คนหลายล้านคนได้ในพริบตาเป็นการบอกด้วยในยะาทางวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกว่ามนุษย์คือจิตวิญญาณที่แผ่ซ่านครอบคลุมอยู่ในที่ทั้งปวงถึงแม้อัตตาจะเข้ากดขี่ครอบงำเขาเอาไว้เป็นธาตุอย่างป่าเถื่อนที่สุดแต่มนุษย์ก็ไม่ใช่กายสังขารที่ถูกจองจาอยู่ณที่หนึ่งที่ใดในอากาศโดยเนื้อท้แล้วมนุษย์ คือวิญญาณที่สถิตยอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งและดูไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งอาจอุบัติขึ้นได้และเมื่อมีปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งเข้าเราก็จะไม่รู้สึกพิสศวงไปกับมันมากไปกว่าที่รู้สึกทึ่งกับความรู้ทั้งหลายที่ได้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาชาร์โรเบิร์ตรีเซ็ ผู้ดได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีระวิทยากล่าวไว้เราอนุมานกันเอาเองว่าปรากฏการณ์ที่เรายอมรับกันเป็นปกติวิสัยในปัจจุบันไม่สามารถสร้างความตื่นเต้นประหลาดใจให้กับเราได้อีกเพราะเราเข้าใจปรากฏการณ์นั้นแล้วแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นการที่เราไม่ดึกแปลกใจกับมันอีกไม่ใช่เพราะเราเข้าใจมันแต่เป็นเพราะเราคุ้นเคยกับมัน ถ้าจะถือเอาว่าเหตุเพราะเราไม่เข้าใจเราจึงประหลาดใจต่อสิ่งนั้น <I am. S 1> เช่นนี้แล้วเราก็ควรจะต้องประหลาดใจต่อทุกสิ่ง <I am. S 1> อย่างเช่นหินที่โยนขึ้นฟ้าแล้วตกลงมาลูกโอก๊กซึ่งกลายเป็นต้นโอก๊กปลอดที่ขยายตัวเมื่อถูกความร้อนหรือแม่เหล็กที่ดูดเหล็กวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมดา ความจริงอันน่าอัศจรรย์ที่ลูกหลานเราจะค้นพบในอนาคตล้วนอยู่รอบตัวเราแล้วทั้งสิ้นเรียกว่าเห็นกันตามตาอยู่แล้วทั้งนั้นกระนั้นเรากลับมองมันไม่ออกและจะบอกแค่ว่ามองไม่ออกก็ยังไม่ใช่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเราไม่คิดจะมองให้เห็นมากกว่าเพราะทันทีที่มีเรื่องไม่คาดฝันและไม่เคยคุ้นเกิดขึ้น เราก็จะหาทางจับมันมาใส่ไว้ในกรอบของความรู้ที่เรายอมรับและเคยชินกับมันถ้ามีใครหานไปศึกษาค้นคว้าให้ลึกลงไปยิ่งกว่านั้นเราก็จะเดือดดานกันเป็นการใหญ่ like นี่เป็นคำกล่าวของเชลซ์โรเบิร์ตรีเซตนักวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีระวิทยานะคะแล้วก็เป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่อง Our Sixth Sense อธิบายเรื่องของ Sixth เ e n s e เรื่องของยานยานอย่างรู้หรือว่าลางสังหรณ์ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่กับชีวิตโยคีค่ะหลังเพลงนี้ ไม่กี่วันหลังจากดอกกระลำของมุกุลทะถูกขโมยไปอย่างไม่น่าเชื่อก็เกิดเหตุการณ์ตลกตลกขึ้นอีกครั้งหนึ่งตะเกียงน้ํามันกา๊าซหายไปดวงหนึ่งหายังไงก็ไม่เจอมุกุลทะก็เลยคิดว่าอาจารย์น่าจะสาธิตการหาตะเกียงให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนเด็กเล่นขายของคือเข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยมีอํานาจจิตพิเศษ เพราะฉะนั้นก็น่าจะสามารถหาของหายได้ในเมื่ออาจารย์ยังรู้เลยว่าเขาเนี่ยลืมปิดประตูหลังของอาสมเอาไว้แล้วก็สามารถจะดุจจิตตนใจให้ชาวบ้านคนนั้นเนี่ยไปขโมยกระลำในที่ซ่อนอันมิดชิดที่เขาเก็บกระลำเอาไว้ใต้เตียงเพราะฉะนั้นกะอีแค่ของหายอาจารย์ก็น่าที่จะช่วยได้ปรากฏว่าอาจารย์ถ้าอ่านความคิดออกท่านกระ ท, ทําทีซักถามผู้คนในอาสมอย่างขึงขังจริงจังเกินเหตุ สิทธิ์คนหนึ่งก็สารภาพว่าใช้ตะเกียงสองทางไปที่บ่อน้ำในสวนท้ายอาสมอาจารย์ก็บอกว่างั้นก็ไปหาแถวแถวบ่อน้ำสิพอมุกุณทะไปดูที่บ่อน้ำก็ไม่เจอก็เดินคอตกกลับมาหาอาจารย์ซึ่งกำลังนั่งหัวรอดเสียงอหายโดยไม่รู้สึกผิดกับการที่ท่านเนี่ย ทำให้มุกุลทะต้องผิดหวังเพราะว่าเหตุการณ์ไม่เป็นไปอย่างที่คิดคือคิดว่าอาจารย์น่าจะใช้อํานาจยานวิเศษตรวจดูว่าตะเกียงอยู่ที่ไหนแล้วก็บอกมาเลยไม่ใช่ใช้ให้เขาไปดูแล้วก็ไม่เจอแบบนี้แย่หน่อยนะที่ครูบอกไม่ได้ว่าตะเกียงมันอยู่ที่ไหนก็ครูไม่ใช่หมอดูนี่นาเป็นเชอร์ร็อกโคมระดับแค่พอใช้ก็ยังไม่ได้เลยตาของอาจารย์เป็นประกายวิบวับ มูกุณทะจึงได้รู้ว่าท่านไม่มีวันนำอำนาจของท่านออกแสดงให้เห็นทั้งในกรณีที่ถูกท้าทายและในกรณีที่ไม่เป็นแก่นสารสาระคือท่านจะไม่เอาออกมาใช้อย่างพร่มเพื่อไม่มีเหตุผลหรือว่าเอาออกมาโชว์อะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ทำหลายสัปดาห์แห่งความสุขผ่านไปไวเหมือนติดปีก อาจารย์วางแผนจะจัดขบวนแห่ในงานพิธีทางศาสนาท่านกระสั่งให้มุกุลทะนำขบวนสานุสิ์แห่ข้ามตัวเมืองและก็ชายหาดในวันงานวันงานตรงกับวันคริสมายันซึ่งจะมีดวงอาทิตย์แผ่แสงแรงกล้าและอากาศก็จะร้อนประอุมุกุลทะก็กังวล น, นะคะว่าเขากับบรรดาสิทธ์ทั้งหลาย จะสามารถเดินเท้าเปล่าฝ่าพื้นทรายที่ร้อนประอุปเป็นไฟไปได้ยังไงเพราะว่าช่วงนั้นอากาศมันร้อนมากและต้องเดินเท้าเปล่าครูจะบอกความลับให้เพราะเป็นเจ้าจะทรงส่งเมฆมาบังแดดให้พวกเธอพวกเธอจะเดินกันได้สบายเลยทีเดียวละอาจารย์ก็บอกแค่นี้มุกุลทาก็สบายใจจัดเตรียมขบวนอย่างรื่อนเบิง คณะของสานุสิทธ์ของอาจารย์ศรียุคเตสวนเริ่มออกเดินจากอาสมทันทีที่ก้าวเท้าพ้นอาสมออกมาก็มีเมฆลอยมาปกคลุมราวกับปาฏิหารทำกลางเสียงร้องอุทานด้วยความพิศมงจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์จากนั้นก็มีสายฝนเม็ดเล็กๆโปรยปลายลงมา ทำให้ถนนหนทางและก็ชายหาดคลายความร้อนประอุลงคือชายหาดก็เต็มไปด้วยทรายใช่ไหมคะทรายเวลาที่เจอแดดมันก็จะอุ้มความร้อนเอาไว้มีเมฆมาบังแดดแล้วก็มีฝนมาทำให้ชายหาดและก็เม็ดทรายเนี่ยคลายความร้อนประอุสายฝนอันฉ่าเย็นตกพรำอยู่ตลอด2อชั่วโมงที่ขบวนแห่เคลื่อนตัวไปบนเส้นทาง คือเป็นสายฝนเม็ดเล็กๆนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สายฝนที่จะเป็นปัญหาในการเดินทางคือพอเย็นเย็นสบายๆและเมื่อคณะย้อนกลับมาถึงอาสมทางเมฆและฝนก็อันตรทานหายไปในทันทีคือในช่วงที่เดินประกอบพิธีเนี่ยอุยเดินกันสบายๆเย็นสบายเหลือเกินมุกุลทะก็เข้าไปขอบคุณอาจารย์ เห็นหรือยังล่ะว่าพระเป็นเจ้าทรงเมตตาเราแค่ไหนส่งตอบรับคนทั้งปวงและทรงช่วยเหลือคนทั้งผองดุดเดียวกับที่ประทานฝนลงมาให้ตามคำร้องขอของครูพระองค์จะทรงตอบสนองความปรารถนาอย่างบริสุทธิ์ใจของสาวกทั้งหลายเช่นเดียวกันแต่มนุษย์มักจะไม่ค่อยรู้ว่าพระเป็นเจ้าทรงรับฟังคาสวดภาวนาของพวกเขาพระองค์ไม่ได้โปรดใครเป็นพิเศษ ทรงรับฟังทุกคนที่เข้ามาหาพระองค์ด้วยความไว้วางใจเราผู้เป็นบุตรของพระองค์ควรที่จะเชื่อมั่นศรัทธาในพระกรุณาและความรักของพระบิดาผู้ทรงไว้ซึ่งลานุภาพอันไพศาลอย่างไม่มีข้อกังขาท่านครูศียุกเตสวนท่านจะเป็นเจ้าบ้านในการจัดงานเทศกาลทางศาสนาปีละสี่ครั้งด้วยกันค่ะ คือในวันวสันตะวิสุวัตวันศาสวิสุวัตวันเหมายันวันครีสมายันมือลูกศิษย์ลูกหามุ่งหน้ามาจากทั่วทุกสารทิศทั้งใกล้และไกลพิธีเฉลิมฉลองวันเหมายันนั้นจะจัดขึ้นที่เซรัมปปอเป็นงานที่ผู้ร่วมงานนะคะก็จะรู้สึกอิ่มเอิบด้วยบุญกุศล พิธีเฉลิมฉลองเริ่มขึ้นในตอนเช้าด้วยการตั้งริ้วขบวนเดินเท้าเปล่าไปตามท้องถนนแล้วก็จะมีสานุสิทธิ์นับร้อยช่วยกันขับขานบทเพลงที่เรียกกันว่าคีตาอันไพเราะมีนักดนตรีเป่าครุี่ปรสานไปกับเสียงกรองและฉาบชาวบ้านที่ออกมาดูขบวนแห่ก็จะพากันโปรยดอกไม้เอาไว้ตามทาง แขกเรือหลายคนก็จะขึ้นบันไดไปรับของหวานกับส้มซึ่งในวันนี้อาจารย์ก็จะให้ลูกศิษย์เตรียมอาหารเอาไว้เป็นจำนวนมากนะคะจำเป็นจะต้องหุงหากันกลางแจ้งในหม้อใบเมื่อคือมาเลยล่ะคะ่ะบรรดาลูกศิษย์ก็จะช่วยกัน ใช้เตาอิด ท, ที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเนื่องจากว่าฟืนก่อให้เกิดควันนะคะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็จะแสบตาจนน้ำตาไหลพรากๆไปตามๆกันแต่ทุกคนก็มีความสุขทำงานกันไปหัวเราะกันไปอย่างเบิกบานใจงานเทศกาลทางศาสนาในอินเดียนั้น ไม่มีใครเห็นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อน่ายรำคาญใจศาสนิกแต่ละคนยินดีที่จะมีส่วนร่วมตามแต่กำลังความสามารถของตนมีเงินก็ช่วยเงินมีข้าวก็ช่วยข้าวมีผักก็ช่วยผักมีแรงก็เอาแรงมาช่วยในขณะที่สานุสิทธ์กำลังทำงานกันอย่างเบิกบานไม่ช้าอาจารย์ก็ตามมาร่วมวงกับลูกศิษย์คอยควบคุมดูแลรายละเอียดต่างๆของงานเลี้ยง ท่านมีงานคือมีงานให้ทำยุ่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ท่านก็ยังกระฉับกระเชงคล่องแคล่วไม่แพ้ลูกศิ์ ร, รุ่นใหม่รุ่นหนุ่มๆที่มีกำลังวางชาดีเลยแม้แต่น้อยแล้วก็มีการร้องเพลงด้วยนะคะเป็นบทสวดสรรเสริญพระเป็นเจ้าที่ร้องกันเป็นกลุ่มโดยร้องร่วมกับ การบรรเลงหีบเพลงและการตีกรองอินเดียให้เข้ากับจังหวะอาจารย์เนี่ยก็จะคอยตรวจตรวจโน้ตเพลงนะคะตรวจการร้องเพลงว่าถูกคีย์หรือเปล่าถ้าผิดคีย์ท่านก็จะรีบเข้าไปทักท้วงทันทีงานเขียนเกี่ยวกับศาสตร์ด้านคีต์ตสินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีปรากฏอยู่ในคำพีสามเวทในอินเดียศิลปะการดนตรีการวาดภาพและการละครก็ได้รับการยกย่องให้เป็นที่พยาศิลปะค่ะอินเดียนี่เขาเจริญทางด้านนี้จริงๆนะคะองค์พระตรีมูรติที่ในบ้านเราบูชาเพื่อขอพรในเรื่องของความรักกันนะคะในอินเดียองค์พระตรีมูรติที่ประกอบไปด้วยพระพรหมพระวิษณุ และพระสิวะทรงได้ชื่อว่าเป็นนักดนตรีท่านแรกของโลกตามความในพระคำภี mm hmm. เคยได้ยินคำว่าสิวะนาตราชไหมคะ mm hmm. ที่ว่ากันว่าท่วงทํานองจังหวะการร่ายรำของพระสิวะในภาคพระสิวะนาตราชหรือว่าราชาแห่งการร่ายรานั้นจะสอดประสานไปกับคันลองของโลกแสดงให้เห็นตั้งแต่การสร้างโลกดูแลรักษาโลก ไปจนถึงการทำลายโลกในขณะที่พระพรหมกับพระวิษณุทรงทำหน้าที่ให้จังหวะพระพรหมทรงชิงพระวิษณุทรงกรองมฤทังคะหรือว่ากรองศักดิ์สิทธิ์พระสรัสสวตีเทวีแห่งปัญญาท่านก็ได้รับการยกย่องให้เป็นมารดาหแห่งเครื่องสายพระกฤิณนะผู้เป็นองค์ออบาตาลของพระวิษณุ ก็มักปรากฏให้เห็นในงานศิลปะแขนงต่างๆของทางฮินดูมักจะมีคุยถือติดพระหัตถ์อยู่เสมอส่งใช้ครุยเป่าเพลงที่ชวนให้เคริบเคลิ้มทำให้บิญญาณของมนุษย์ที่ระเหยเร่ร่อนอยู่ในห้วงแห่งมายาได้หวนนึกถึงบ้านที่แท้จริงของตนก็คือใช้เครื่องดนตรีเนี่ยเป็นสื่อนำไปถึงการกลับมาสู่บ้านที่แท้จริงกลับมาสู่ตัวตนนะคะ จากนั้นในบทนี้เนี่ยจะมีเนื้อหาที่อธิบายลักษณะและก็เอกลักษณ์เฉพาะของดนตรีชาวฮินดูว่าจะมีเสียงที่ละเอียดมากดนตรีอินเดียจะมี72 scale นักดนตรีมีโอกาสที่จะใช้ความสร้างสรรได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในการคิดแต่งเพลงสดๆจากทำนองดั้งเดิมหรือว่าจากการสร้างสรรในฉับพลันนะคะ โดยเน้นที่อารมณ์ความรู้สึกของโครงสร้างแนวเพลงนักดนตรีฮินดูจะไม่บรรเลงโดยอ่านจากโน้ตที่บันทึกไว้ตายตัวค่ะแต่ว่าเขาจะแต่งแต้มสีสันใหม่ๆไปกับการบรรเลงแต่ละครั้งคือมีโน้ตหลักอยู่แล้วก็จะมีการปรุงแต่งนะคะแต่งเติมใหม่ๆ เพราะฉะนั้นดนตรีของอินเดียนี่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ดนตรีของทางตะวันตกนี่ไม่สามารถทำได้ว่ากันว่าฤาษีสมัยโบราณนะคะได้ค้นพบหลักเกณฑ์ว่าธรรมชาติกับมนุษย์สามารถเกื้อกูลกันได้โดยใช้เสียงนี่ละคะ่ะเป็นสื่อกลางเนื่องจากธรรมชาติเกิดขึ้นจากเสียงโอมที่เป็น บท เ, เริ่มต้นแห่งสรร พ, พสิ่งเป็นคลื่นความสั่นสะเทือนแห่งจักรวาลมนุษย์จึงสามารถควบคุมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งหลายได้ด้วยมนตราหรือบทสวดบางอย่างนิทานพื้นบ้านของชนทุกชาติก็ล้วนเอ่อยอ้างถึงการบรายเวทมนต์คาถาเพื่อควบคุมธรรมชาติอย่างเช่นชาวอินเดียนแดงในอเมริกานะคะก็ได้พัฒนาพิธีกรรมที่อาศัย เสียงเรียกลมฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือว่ามีนักดนตรีหลวงชาวฮินดูผู้ยิ่งใหญ่คนหนึงก็สามารถดับไฟได้ด้วยอนุภาพจากเสียงเพลงของเขาค่ะแล้วก็เคยมีนักดนตรีหลวงนะคะก็คือคนเนี้ยที่ชื่อว่าตันเสนเนี่ยเป็นนักดนตรีในราชสำนักของพระเจ้าอักบ้ามหาราช พระเจ้าอักบ้าเคย ม, มีรับสั่งให้เขาร้องเพลงโดยใช้โทนเสียงสำหรับยามคำ่ำในขณะที่พระอาทิตย์ยังลอยสูงอยู่เหนือศีรษะคือหมายถึงว่าในขณะที่ ยังเป็นเวลากลางวันเป็นเวลาเที่ยงวันพระอาทิตย์ลออยู่เหนือหัวเนี่นะคะพระราชาก็ทดลองบอกว่าลองร้องเพลงที่ใช้ราค า, า, คาเนี่ยหมายถึงระดับเสียงที่กําหนดเอาไว้ตายตัวก็น่าจะหมายถึงโน้ตนั่นเองนะคะในทางฮินดูโดยใช้โน้ตหรือว่าท่วงทานองสำหรับยามค่าตันเซนก็ก็ทดลองไร้มน ไร่มนที่เป็นมนยามคำ่ำปรากฏว่าเขตพระราชวังทั้งหมดมืดมิดลงในฉับพลันค่ะคือดนตรีของอินเดียนี่มีความลึกซึง้งแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติมากนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อาจจะลองหาศึกษาหาอ่านได้ในบทนี้อธิบายไว้อย่างละเอียดเลยแต่ว่า ก็จะลงรายละเอียดในแง่ของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโนต้ตเพลงนะคะใครสนใจก็มาอ่านเพิ่มเติมได้อินเดียโบราณนี่จะยกย่องเสียงมนุษย์ค่ะว่าเป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการทำเสียงแบบต่างๆแล้วก็ดนตรีของอินเดียเนี่ยเป็นอัตตะวิสัย จิตวิญญาณและศิลปะอันเป็นปัจเจกไม่มีเป้าประสงค์อยู่ที่การเล่นประสานเสียงร่วมกันเป็นวงใหญ่แต่มุ่งเน้นให้จิตของคนบรรเลงสอดประสานกรมกลืนเข้ากับพระวิญญาณสูงสุดอันนี้แตกต่างจากทางตะวันตกทางตะวันตกนี้จะเน้นบรรเลงร่วมกันเป็นวงแต่ของอินเดียเน้นเป็นปัจเจกให้ดนตรีเป็นสื่อในการ เหมือนกับในการเข้าถึงภาวะบงางอย่างซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตนบทเพลงที่โด่งดังของอินเดียล้วนแล้วแต่เป็นผลงานการประพันธ์ของสาวกแห่งองค์พระเป็นเจ้าทั้งสิ้นก็คือเพลงดังๆทั้งหลายเนี่ล้วนเป็นเพลงทางศาสนานักดนตรีในภาษาสันสกฤตนะคะ ก็เรียกกันว่าพระวาฐานแปลว่าบุคคลผู้ขับเพลงสรรเสริญพระเป็นเจ้าก็เกี่ยวข้องกับศาสนาอยู่ดีบทนี้น่าสนใจนะคะสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของพลังแห่งเสียงหรือว่าธรรมชาติของอดนตรีของชาวฮินดู ว่ามีความแตกต่างไปจากดนตรีของชาวตะวันตกอย่างไรในวันนั้นทุกคนก็มีความสุขมากค่ะพอตกเย็นก็นำข้าวหุงผสมกับถั่วแกงกะหรี่ผักแล้วก็ขนมข้าวยาคูมาเสิร์ฟให้แขกจำนวนหลายร้อยคนปู่ผ้าห่มที่ทอจากผ้าฝ้ายลงบนลานหน้าอาสมไม่นานผู้คนก็ทยอยกันเข้ามานั่งโดยมีเวองฟ้า เป็นหลังคาที่พรางพรายไปด้วยแสงแห่งดวงดาวทุกคนนั่งกันเงียบๆตั้งใจฟังการแสดงธรรมจากท่านครุสียุคเตสวนซึ่งท่านเน้นย้ำให้บรรดาลูกศิษย์ใช้ชีวิตด้วยการรู้จักเคารพตนเองมีสติมีความมุ่งมั่นกินอยู่เรียบง่ายแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลังจากการแสดงธรรมก็มีสิทธิ์ออกมาขับสโลกอันศักดิ์สิทธิ์บางบทแล้วก็จบลงด้วยการร่วมร้องเพลงสันกวรตานด้วยศรัทธาที่เปี่ยมล้นจากนั้นก็ช่วยกันเก็บล้างหม้ อ, อกับกระทะเก็บกวาดคือเป็นการเก็บข้าวเก็บของเก็บกวาดทำความสะอาดนะคะ ตั้งแต่สีทุ่มจนถึงเที่ยงคืนจึงแล้วเสร็จพอเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็เรียกมุกุลทะเข้าไปหาแล้วก็บอกว่าครูพอใจเหลือเกินที่เธอช่วยเป็นธุระดูแลการงานต่างๆในวันนี้ให้กับครูด้วยจิตอันเบิกบานแล้วไหนจะมีการเตรียมงานตลอดหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้อีกครูอยากให้เธอมาอยู่ข้างๆตัวคืนนี้จึงอนุญาตให้เธอมานอนเตียงเดียวกับครูได้ มุกุลท่าดีใจมากค่ะนี่นะเป็นเกียรติอันสูงส่งที่เขาไม่เคยคิดฝันเลยว่าตนเองจะมีวาสนาถึงเพียงนี้มุกุลทะนั่งสมาธิกับอาจารย์สียุคเตสวนคือนั่งสมาธิด้วยกันนะคะอยู่ครู่ใหญ่หลังจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนนอนไปได้ประมาณสักสิบนาทีเท่านั้นเองอาจารย์ก็ลุกขึ้นขวาเสื้อผ้ามาสวมแล้วก็ทาท่าเหมือนกับมีธุระอะไรบางอย่าง มุกุลท้าก็ถามบอกว่ามีอะไรหรือคอรับครูคิดว่าสิทธิ์บางคนที่ตกรถไฟจะมาถึงที่นี่ในไม่ช้านี่แหละเราไปเตรียมกับข้าวกับปลาเอาไว้ต้อนรับพวกเขากันดีกว่าอาจารย์ครับแต่นี่มันตั้งตีหนึ่งแล้วยังจะมีใครแวะมาอีกเธอนอนซะเถอะทำงานเหนื่อยมาทั้งวันเดี๋ยวครูจะเข้าครัวเองได้ยินอาจารย์ยืนกรานอย่างนั้นนะคะมุกุลท้าก็เลยลุกจากที่นอน แล้วก็ตามท่านไปที่ครัวเล็กๆที่ใช้หุงหาอาหารประจำวันกันที่ชั้นบนในไม่ช้าข้าวกับแกงดานหรือว่าแกงถัว่วก็เดือดปุ ด, ป ด, ปดๆอยู่ในหม้อช่วยกันทำกับข้าวหุงข้าวอาจารย์ยิ้มให้กับข้าพเจ้าด้วยเอ็นดูนะกมกุลทะคืนนี้เธอเอาชนะได้ทั้งความเหนื่อยล้าและความขยาดงานหนักในอนาคตข้างหน้าสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหากวนใจเธอได้อีก ขณะที่ท่านกล่าวคำอำนวยพรอันเป็นมงคลให้กับชีวิตของมุกุลทะทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากลานอาสมข้าพเจ้าวิ่งลงบันไดไปต้อนรับสิทธิคณะหนึ่งโอ้พวกเราเกรงใจเหลือเกินไม่อยากจะมารบกวนอาจารย์ในยามดึกดื่นค่นคืนแบบนี้เลย แต่เราจำเวลารถออกผิดไปแล้วเราก็ทำไม่ได้ที่จะกลับบ้านโดยไม่ได้พบหน้าอาจารย์อาจารย์ก็รอพบพวกคุณอยู่เช่นกันตอนนี้ท่านกำลังหุงหาข้าวปลาให้พวกคุณด้วยซ้ำสเสียงอาจารย์ร้องรับมาจากข้างในมูกุญทะพาแขกเรือผู้มีสีหน้าประหลาดใจเข้าไปในครัวว่าเอ๊ะ รู้ได้ยังไงสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือที่จะโทรที่จะส่งไลน์มาบอกนะคะว่าจะมาในขณะที่สิทธิ์ทท่าทางประหลาดใจอาจารย์สียุคเตสวนก็หันมาหามูกุลทะแล้วก็ขยิบตาให้แบบรู้กันครึ่งชั่วโมงให้หลังมูกุลทะก็ตามท่านอาจารย์กลับเข้าไปในห้องนอน เขารู้สึกเป็นเกียรติเสียจริงๆที่ได้เอนกายลงนอนข้างๆท่านผู้เป็นครุเทวะของตนเช่นนี้ในตอนต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการเอาชนะลิขิตจากดวงดาวเป็นเรื่องการอธิบายโหราศาสตร์อย่างมี ในยะทางวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลใครที่สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ในเรื่องของการแก้กรรมในเรื่องของการสะดอกเคราะห์อะไรทำนองนี้นะคะต่อนหน้ามีคำอธิบายค่ะว่าจะเอาชนะลิขิต จ, จากดวงดาวได้อย่างไรทำไมในทางโหราศาสตร์เวลาที่จะผูกดวงจึงมีชื่อดาวโน้นดาวนี้ จะมีผลอะไรกับชีวิตของมนุษย์ให้คุณให้โทษมนุษย์ได้อย่างไรบทนี้จะอธิบายเอาไว้ถ้าสนใจก็ติดตามฟังได้กับตอนต่อไปของชีวิตโยคีจากหนังสืออัตชีวประวัติของโยคียโดยท่านปรมาหังษาโยคานันทะ ซึ่งจะรับการยกย่องนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือทางจิตวิญญาณที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งแห่งศตวรรษวันนี้หมดเวลาของวิทยุไทย PBS รายการห้องสมุดหลังไมยแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ